เดินในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโภิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องความทุกข์หรือทุกข์ษัตริย์ต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนรเราเห็นว่าความทุกข์ในช่วงต่อไปนั้นที่จริงเป็นเรื่องเขาเรียกว่าปกิด น, นกัทุกข์คือทุกจรมา มันขึ้นอยู่กับท่าทีความคิดของเราหรือปัญญารู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันเห่านั้นเองแต่ถ้าคนเราได้เตรียมกายเตรียมใจเอาไว้หยบรับความจริงถึงกติธรรมดาของความแก่ความเจ็บความตายรูเยนะ้เกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายเนี่ยจะมีกล่าวไว้ในวันก่อนไอ้สิ่งที่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะยางตึงทุก สิ่งที่สืบเนื่องมาจากความเกิดเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ตามปกติแล้วสืบเนื่องจากจิตใจของบุคคลไปยึดมั่นหรือมั่นคือไปคาดหวังไปมุ่งหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นก็แสดงว่าปฏิเสธความจริง เพราะความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตั้งความหวังอะไรกับใครที่ไหนได้หรอกแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยระวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็ไม่ได้นัภาษาอะไรจะไปตั้งความหวังกับคนอื่นอย่างน้อยที่สุดในความคิดตรงนี้ถ้าหากว่าเราทำใจยอมรับความจริงว่าการระรากสูญเสียเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราก็พบกันเราก็จากกันของรักก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากเขาไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรื่องความจริงเวลาประสบกับความเปลี่ยนแปงลงหรอกนะ เพราะเรเห็นว่าพวกทุกจรเราเนี้ยที่เริ่มมาจากความสุขความร่ไรลําพันความทุกข์ความเสียใจความความแค้นใจมันก็มหักไปอย่างนั้นเองแต่ว่าอยู่ที่ความคิดเฉยๆคือเรื่องเรื่องการพลัดพรากสมมติว่าเนี่ยประสบความตายการพลัดพรากสูญเสียแตกทําลาย อ, อะไรต่างๆแต่เราถือเป็นเรื่องธรรมดามันก็จบ ความสุขเมื่อ ก, ก็ความสกข่ําไรวยดำฟันความทุกข์ความเสียใจความกั๊กแ้นใจเนี่ยมันดับไปหมดเลยไม่ได้เกิดอะเรามองดูตัวอย่างถึงคนในสมัยโบราลที่ท่านเข้าถึงความจริงเนี่ยและในบ้านเราที่จริงเวล น, นี้ก็มีคนในลักษณะนี้อยู่ประสบความร่าราสูญเสียเป็นอันมากแต่ว่าจิตใจของท่านมีหลัก ในการครองชีวิตยังมีกฎมีเกณฑ์มีหลักท่านก็ไม่เดือดร้อนกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างยกตัวอย่างระนางมาริกาชายาของท่านพันทุราเสนาบุีคนไปในครอบครัวของท่านเในใี่ยตายทีเดียวสามสิบามคน แล้วก็เหลือท่านเป็นคนเดียวกับโพสไยนะแต่ท่านก็ทําใจยอมรับความจริงไม่ได้แสดงความเศร้าสศกเสียใจแล้วไม่มีความอาฆาตเคียดแค้นใครพอเข้าใจแล้วนั้นก็คือธรรมดาอย่างหนึ่งของชีวิตเพราะคนอื่นไปก็เท่านั้นเนี่ย่ยาพี่น้องเราก็ไม่เด็กฟื้นคืนเป็นขึ้นมา จึงสร้างเวรสร้างไปสร้างอันตรายเกิดมากจริงขึ้นเพราะนั้นท่านก็ตรงตกโดยไม่ไปโปรดเกลื่อนพระเย้าประเสริฐที่กดศสุซึ่งไปลงเชื่ออมารที่ทรยศวางแผนยุ่ยเกิดความหวาดระแวงต่อพันธุาราชนาบดีซึ่งเป็นสหายร่วมตายร่วมชีวิต มายอมอยู่รับใช้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่เป็นราชกุมารราชวงศ์นิจุวีแต่ว่าท่านก็เกิดระแวงเพื่อนของท่านเองวัานาท่านเหล่านี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าเราดูตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าพระเจ้าประสิทธิ์นิโกสนุนั้นถูกยุให้เกิดความระแวงแล้วก็ วางแผนให้คนไปรอบค่าท่านพันธุราชเานบดีกับลูกๆมีตายหมดท่านเองก็ถูกจุกแ้เกิดหวาดระแวงและในที่สุดท่านก็ที่วงคดอย่างน่าอาเนอนาด น, นะอยู่ที่ประตูเมืองราชครึกก็ถูกแย่งราชสมบัติแต่ดูคนท่านเอง แล้วก็สืบเนื่องมาจากหลานชายของท่านพันธุราเสนาบดีในตรงตรงนั้นก็กลายเป็นกรงเกลียนกรงกรรมไปแต่ประเด็นที่ทรงอธิบายคำว่าความโศกเนี่ยงอธิบายว่าดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลายความสศกเนี่ยเป็นยังไงความสศกความเศร้าสศกความแห้งใจ ความผากณภายในความโศกณภายในของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความสิ้นายอันใดอันเด็กและเป็นผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่าด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความสุขถึงหมายความว่าความโศกนั้นจะเกิดขึ้นจากการพระธาตุสูญเสียจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่เรารัก รักมากเท่าไร่ก็จะเท่าไรก็จะสร้าโศกมากเท่านั้นสูญเสียมากเท่าไร่ก็จะสร้าโศกมากเท่านั้นทีนี้จุดนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมดาไปได้ก็ถึงธรรมดาไปได้มันก็หายโศกอย่างที่มาเอ่อมักเน้นเสมอว่ามันอยู่ที่คิดยังไงเพราะว่าสิ่งจะต้องพราดเป็นธรรมดาก็พราดไปแล้วถ้าเราคิดจะได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ ถ้าคิดไม่เป็นมันก็ดึงดึงปัญหามาสู่ตัวเองนานมาแล้วสมัยที่เขา ย, ยังมีการรบกันที่ขอคอเราจะมาไปบรรยายที่กองทหารแห่งหนึ่งแถวทุ่งหมาเมกคือพอเดินผ่านไปเนี่ยมีนายทหารระดับจ่าคนหนึ่งแกลุกขึ้นนะแกบอกว่าพระพระขอทานหน่อย มาก็บอกว่าค่อยถามเวลาถึงเวลา อ, อบรรยายดีกว่าพอถึงบรรยายบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้ววันนี้ยึด ย, ยืนคุยกันเลยคือไม่ต้องมีรูปแบบพิธีการอะไรถามกันไปสนทนากันไปก็เป็นเรื่องเวลากันไปดี้วยคนนี้ก็ก็ถามก่นอนก็บอกว่าเนี่ยเขาไปราชการสงกรานมา แล้วก็กลับมาถึงพัญญามีชู้หนีตามผู้ชายไปจะให้คุณทำยังไงดีก็บอกว่ามันก็อยู่ที่คุณคิดยังไงอ่ะคือถ้าคุณคิดให้เป็นเนี่ยคุณก็เป็นนายตำรวจนายทหารชั้นสัญญาบันเรามีความดีความชอบในราชการสงครามคุณเลื่อนจา ก, จากคุณก็เป็นนายตำรวจนายทหารชั้นสัญญาบันแล้วก็มียคุณนั้นเนี่ย คนนั้นเนะ่ยคุณได้กันมาตั้งแต่เป็นพลทหารมันไม่เหมาะสมที่เป็นคุณนายหรอกบองแกหนีตามผู้ชายไปก็ดีเหมือนกันเราก็เปลี่ยนเมียใหม่เป็นเมียหมวดไปเลยแต่ทีนี้ถ้าคุณคิดไม่เปลี่ยนคุณก็ถือว่าหมิ่นศักดิ์สิทหมินเชิงชายกันหลายตามอย่างความคิดของคนพาดทั้งหลายการชูบระหานเมียก็ได้ไรฮะ ุณได้คุณกลายเป็นนักโทษน่าเสียดายไหมจ่าซึ่งกำลังจะเป็นนายร้อยตรีจะติดยศนายร้อยตรีต้องกลายเป็นนักโทษฆ่าคนตายปัญหาว่าคุณเลือกเขาทางไหนคุณเลือกได้นะชีวิตของคุณคุณเลือกได้คุณจะตัดสินใจเอาเองคนอื่นจะเป็นแนะนาอะไรไม่ได้หรอกคุณจะเลือกเป็นนักโทษก็ได้คุณจะเลือกเป็นนายร้อยก็ได้ ปรมาทัายเขาก็เลอกไปไหนร้อยนก็ยิ้มออกนะฮะก็ยิ้มออกโดยใจว่าแนวพวกนี้ตามปกติแล้วเราจะไม่ค่อยอธิบายอะนะอธิบายยากมันต้องถามให้เขาคิดกนะับถามให้เขาคิดแล้วเ ข, เขาค่อยคิดจากความคิดของเขาเนี่ยมันสร้างปัญญาขึ้นมนาะแล้วก็จะมองอะไรเป็นกระบวนการของเหตุของผลแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะลดความเศร้าโศกลงไปได้ ทีนี้ประสบมากเนี่ยมันก็เกิดพิริพิไรพิริพิไ ร, พรพไรลําพันธอย่างนางปตาจารลาพระประตาจารานะ่ะตอนนั้นเป็นนางปตาจาราอยู่คือสามีท่านถูกงูกัดตายลูกคนหนึ่งถูกแม่น้ําพัดกระแสน้ําพัดไปลูกคนหนึ่งถูกเกี่ยวเกี่ยวไปนะพี่ชายพ่อแม่ก็ถูกเรือนพังทับตายหมดในคืนพายุใหญ่ แล้วก็บนเพอือคือโศกจนถึงสุดมันก็แห้งแห้งผักนะภายในทั้งก็เดือบบนเพอวัวสามีของเราถูกงูกัดตายลูกคนเล็กถูกเหยียวเหยียวไปลูกคนใหญ่ถูกน้ำพัดไปนะพ่อแม่และพี่ชายเราถูกเรือนถล่มรับตายก็บ น, บนเพอือไปอย่างนั้นจนกระเจิงนะขวัญกระเจิงก็กลายเป็นบ้าไปเลย ผู้เจ้าก็วิ่งเข้าไปที่ไปเช็ดตะวั น, นคนก็ไล่นะเพราะว่าผ้าปอดไม่นุ่งผู้เจ้ารับสั่งไว้ให้เข้ามาก็เข้ามากล้ก็รับสั่งว่ากลับได้สติเถิดน้องจิตเต๋อก็ได้สติแล้วก็ยังบ่นเพ้อนะจะบ่นเพ้อผู้เจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงว่าในสังสารวัฏทยาวนาในการพักรักสูญเสียซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้ ตีต่างว่าน้ําตามันไม่เกิดมันมันไม่ได้แห้งไปนะฮะร้องไห้ไหลมาเท่าไหร่แล้วไม่เกิดแห้งไปมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรสี่เพราะถ้าถามมาร้องไห้เพราะสามีคนไหนล่ะเพราะในภพชาติต่างๆสามีเป็นโยอจัถามมาลูกคนไหนก็ลูกก็เยะจัแล้วในสุดท่านก็ได้ความคิดตัดสินใจ ออกบวชนะฟังธรรมและบรรลุมรรคผลเป็นประสูติธรรมบวชอาการเหล่านี้ที่จริงเป็นอาการต่อเนื่องแต่ว่าปัญญามันเกิดไม่ผ่ามากพอที่จะหยุดความโศกเลยกลายเป็นความคร่ําครวญจึงทรงอธิบายในแนวของความต่อเนื่องนะว่าพิสูจทั้งหลายปริเทวะคือความร่ไรวยรำพันเนี่ยเป็นยังไง พิสูจทั้งหลายความคร่ำครวนความร่ําไรราพันธ์กิริยาที่คร่ำครวนความที่ร่าไรราพันธความที่สัตว์คร่ำครวนความที่สัตว์ร่าไรราพันธ์ของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความจิตภายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่เรากล่าวว่าปริเทวันก็แสดงว่าโศกโนบ่นเพอ้อไป แต่ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคือเราจะเห็นว่ามันไม่ได้อะไรจริงๆเนี่ยไม่เป็นการท้ำเติมตัวเองให้หนักมากจริงๆเข็มเช่นสมมติว่าญาติพี่น้องก็ตายพ่อแม่ตายสามีตายปัญญาตายลูกตายอะไรก็ตามเนี่ยใครตายก็ตามแน่นอนในความรู้สึกของเราก็คือพละดพลากจากปิยชนอันเป็นีิรักของตนแต่ถาม่าถ้าร้องไห้แล้วเขารู้หรือเปล่า เขาย้อนกลับมาไหมถ้าเขาย้อนกลับมาเนี่ยเราจะดีใจไหมนะไอ้ตายแล้วฟื้นก็ยังชั่วหน่อยนะฮะถ้าตายแล้วเก็บศพไปสองสามวันแล้วลุกขึ้นขึ้นมาเนี่ยผมจะยุ่งนะดูผมกันนะเรเห็นอาการของโมค่ะคือถ้าเราคิดดูให้ดีนะะสมมติว่าตายไปสามวันแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาจากโลงเนี่ยอลึงชึ้งเลยทํำยังไงดีตามเรืยองต้องการอีกไหมมันก็ไม่ต้องการนะฮะ ดังนั้นจึงเป็นอาการของโมหะคือโศกะนี่มันเกิดจากโลภะโมหะหรือว่าเกิดจากราคะโมหะมันมันเป็นการไปเสียดความจริงแต่ถ้าคนรู้จักคิดก็จะหาประโยชน์ได้นะเพราะว่าการที่ปียชนคนเดียวรักเช่นพ่อแม่เนี่ยท่านตายไปก่อนก็ชอบแล้วนะเพราะว่าท่านเกิดมาก่อนแต่มาตายไปก่อน เราก็ทำหน้าที่ของลูกกัตัอยู่บำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้ท่านเสร็จภาระหน้าที่ถ้าเราตายก่อนท่านจะอีกนี่จะยุ่งตวัวเราก็ต้องห่วงใหยว่าเอ๊ใครจะดูแลพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นอย่อยางไงแต่เมื่อท่านตายไปก่อนเราเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ที่จริงเป็นเรื่องที่ควรแก่การยินดีนะะ ว่าภารกิจที่ลูกจะต้องทำต่อพ่อแม่ของตนเราได้กระทำบริบูรณ์สมบูรณ์จะดีใจหรือเสียใจท่านก็ไม่ได้ฟื้นอะไรขึ้นมาทีนี้ในประการต่อไปก็คือความทุกข์ความทุกข์ในกรณีที่มันมาเจอกับโทมนัต่อนพวกฟังงลองสังเกตว่าถ้าทุกข์จะโทมนัดด้วยคือที่จริงนั้นมันเวทนาเนี่ยมีทุกข์มีสุขมีไม่ทุกข์ไม่สุขันนั้น ตอนนั้นมันจะเป็นการแสดงหรือเงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบหลักแต่ที่ปรากฏมาก็เป็นทุกข์หรือสุขก็ไม่ทุกข์ไม่สุขทุกข์ในที่นี้ท่านจะเน้นที่ทุกข์กายเพราะแกมากระทบมนฑ์กระทบมนฑ์จะหมายถึงทุกข์ใจแล้วตัวกายเองเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นทุกข์เวทนาเราตัวกายเองแกไม่รู้ตัวนะแต่จิตเป็นตัวรู้ในเรื่องเวทนาเหล่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเวลาทรงอธิบายเนี่ยบอกว่า วิสูทั้งหลายทุกคือความไม่สบายกายเนี่เป็นยังไงความทุกเกิดในกายความไม่ดีเกิดในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกเกิดแต่สัมผัสทางกายอันใดนั้นเช่นถูกมีดบาดถูกน้ําต่ำถูกอะไระอะไรต่างๆเนี่ยทําให้ร่างกายมันเจ็บปวดกายจะประสาทมันก็รายงานเขา้าไปสู่จิตจิตก็เป็นตัวเสเวยนะจิตเป็นตัวเสเวยจิตเป็นตัวรู้สึกว่า ตนเองเนี่ยเป็นทุกข์คือกายมันเป็นทุกข์ไอต้ตรงนี้ก็ธรรมดานะเห็นไหมที่จริงมันก็ธรรมดานี่มันมีไหมคนหนามตําแล้วไม่เจ็บเนี่ยมันมีในโลกหรือเปล่าคนมีดบาดแล้วเลือดไม่ออกมันมีหรือเปล่านะหรือหกล้มบกลุกไม่มีถลอกบอกเปิกเลยเนี่ยมันมันมีหรือเปล่ามันไม่มีอะมันสิ่งต่างหลายมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเฉย เกิดมาแล้วก็ก็เท่านั้นแหละก็ทนเอาจะทอยังไงก็ดีนะฮะที่ไม่หนักกว่านั้นมันเป็นการมองมาขึ้นดูการมองคือตามปกติแล้วเรามักจะมองเทียบเคียงในเชิงสูงต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนี้ต้องการเป็นอย่างโน้นแล้วไม่ได้ตามที่ตนเป็นแต่ไม่ได้นึกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแกเราเองเนี่ยมันก็มีคนที่ทุกข์กว่าเราแล้วคนคนนั้นเองก็มีคนที่ทุกข์กว่าเขา เอาแหละในโลกมนุษย์มันทุกข์สุดๆแล้วสมมติว่าถูกเสียบแหลหลาวนี่ถูกเอาคนเอาคนไปเสียบไว้กันแหลนกันลาวต่างๆเป็นศพทุกข์ก็เตวเวทนาดิ้มกระเดวกระเดวเนี่ยแต่เทียบแล้วในทุกนในนรกรุนแรงกว่านะเห็นไหมมันยังมีหนักกว่ามีหนักกว่ามีหนักกว่าอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อคนอื่นเขาอยู่ได้เขาทนได้เราก็ทนเอาแต่ในขณะเดียวกันในลดความทุกข์เราก็ถาม แต่ตัวนทนเราก็ต้องทนแล้วไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวาอะไรกับมันมากคืออย่างคนบางคนไปเจ็บค่าได้ป่วยแล้วก็เรียกว่าป่วยแค่บาทเดียวนะแต่ครางในทังสิบบาทเลยสแสดงทุกขเวทนาสแสดงเห็นความอ่อนแอมากเกินไปมันชีวิตมันต้องทนนะ เพราะชีวิตเป็นทุกข์ษัตร์ทุกข์ัตรย์แปลว่าทนได้ยากทุก็แปลวะ น, นะทุกขมะเนี่ยแปลว่าทนยากทนยากทนลำบากตนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะเวลาเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะผ่อนคลายมันเหมือนเราโยนของขึ้นที่สูง พอถึงจุดสูงสุดมันก็กำลังจะตกโรลมาจากของข้างบนเนี่ยฮะคือกำลังจะถึงพื้นเนี่ยแสดงว่าใจจะเด้งขึ้นข้างบนมันเป็นวงวงจรที่หมุนวนกันไปอย่างนั้นเองมันไม่มีสุขเสมอทุกเสมอหรอกทีนี้โทมนัตเนี่ยเราเห็นว่ามันอยู่ที่ใจเราไปปักใจเอาตัวเองเข้าไปบวก เราเจ็บเราปวดเราเสียใจเราสูญเสียเราประสบปัญหาและทะไนต่ตางเอาเราเข้าไปบวกเอาตัวอัตตาตนเนี่เข้าไปดับเพได้เพราะว่าเวลาคนอื่นจะบปวดไม่เราทุกข์เลยเวลาคนอื่นเพระพ่าๆทําไมเราไม่ทุกข์เลยเพราะเราไม่เอาตัวเราเข้าไปบวกไม่มีความรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนลงประสบการณ์พร่าๆสูญเสียเป็นต้นส่วนนี้มันส่วนใหญ่แล้วมันคิดปรุงปรุงคิดกันมาเอง ความโทมนัตเนี่ยคถ้าเราถามว่าโทมนัแล้าจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยมันการบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองให้เสื่อมถอยลงไปทีนี้โทมนัตตรงนี้พอนานเข้าเนี่ยจ น, จนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นอุปายา อุปายาตทรงอธิบายว่าเป็นความแค้นความคับแค้นการติดสัตว์แค้นความติ่สัตว์ับแค้นของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความที่พายอันใดอันหนึ่งผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่าทุกคนบิณฑษ์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าอุปายาตแปลว่ความคับแค้นเพราะความคับแค้นจะมีอยสองอย่างคือหนึ่งมีคนประทุษรายแล้วทาให้เราแค้นแค้นน้มันแค้นจะทําอะไรเขาไม่ได้อ่ะก็กลายเป็นความคับแค้น คือโกรธเนี่ยโกรธมากแล้วก็อยู่ในจุดหนึ่งก็ทําอะไรไม่ได้อึดอัดคือท่านอะไรแต่ไ้ไปบลายเ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไป็ น, ค, ค, นความ ค, คับแคนความก็แคดมันเป็นมาทุจร้ายตัวเรานะฮะจะคิดจะประทุจร้ายบุคคลอื่นแต่เราน่ยถูกประทุจร้ายนะคล้ายๆกับเราจําจับโครนเพื่อจะปาคนอื่นเนี่เราเพื่อนนะี่ะเราเพื่อนก่อนจะปาคนอื่นได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มันจอนขึ้นเราปรุงขึ้นมาเฉยๆทํำเฉยๆเสียมันก็จบบางทีก็ขอกันกินมากกว่าดี๋ยต้องโกรธตร้องเคืองเมื่อปล่อยใไ่เรื่องคนพาลถือสาความอะไรคเขาอย่างก็ยกตัวอย่างโลกะนิดไอมาชอบหมาโลกะนิด บ, บทบทเนี่ยมันดีนะฮะใครทำให้เราแค้นเราขับจนถึงเราขับแค้นนันก็หมอง มาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อมาอย่าขึ้นโทรชนชาติจั่วทาหุนโทษอยา่าโกรธอย่าหน้าบึง้งอย่าตอบทอยถือความจบแค่นั้นเองทำใจให้สงบได้คือไม่ไปเกิดความแค้นหรือเกิดความติดอั ด, นดจนกลายเป็นขับแค้นที่เดียวกว่ปาป้ายาตแปลว่าความคับแค้นที่นี้บางทีเนี่ย การผรสมกับสัตว์กับคนกับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เหมือนกันเราคิดเราเองไงเราคิดเราเองอะ่ะทาไมเราไม่ชอบเขาทาไมถ้าทําไม่ตัดต้องการมีปัญหาก็เฉยเฉยเฉยก็ได้นี่ก็ต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินเฮ้ยเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าใจเราไปเอื้อมไปเอื้อมไปไม่ชอบเขานาะเขานั่งอีกแขกหนึ่งไงเขาไม่มานั่งบนตักเรานี่นะเราจะต้องเดือดร้อนอะไรเขา เห็นมาตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเราไปปรุงขึ้นมาเองเราไปตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาเองเราไม่ชอบคนนี้คนนี้จะมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดทําอย่างนั้นไม่ได้มาพูด ก, กับเราไม่ได้มานั่งขา้างหน้าเราไม่ได้อามานั่งข้างหลังเราไม่ได้เราจะนั่งที่ไหนล่ะเห็นไหมเราจะรู้สึกขับแค้นแล้วในที่สุดมันก็ลูกหนีมันเป็นปัญหาที่ใจเรามันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เขา พระเจ้าทรงอุปมาถึงสุนัขที่เรือนที่มันนอนตรงไหนแล้วมันวิ่งนอนตรงไหนแล้วมันวิ่งแบบย้ายที่นอนเรื่อยพระเจ้าชี้ประนบนดูดูเท่านั้นสุนัขเนี่ยมันไม่เข้าใจว่าตัวมันนั่นเองคันมันไม่ใช่สถานที่มันคันแล้วแกก็นึกว่าที่มันคันพอนอนแล้วก็ลุกขึ้นนอนแล้วก็ลุกขึ้นเลยปัญหาต้องแก้คือใจปัญหาที่ต้องแก้เนี่ยคือใจก็เราก็อย่าไปวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปแบกโลกเอาไว้อย่างนั้นก็แล้วกัน เห็นไหมพวกนี้มันเกิดจากอุปาทานจิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้งาบงเป็นตัวตนก็เราบ้างไม่ยอมรับถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเราควบคุมไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวของเราเองก็ตามต้องฟังทั้งหลายแต่โรูปปฏิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นค่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไผ่บุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี